วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีความศรัทธามีความเงื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของชีวิตณสถานที่แห่งนี้ก็เราก็จะมีการแสดงธรรมในเบื้องต้น30นาทีด้วยกันแล้วต่อจากนั้นอีก30นาที ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมสำหรับหัวข้อธรรมที่จ ะ, สะแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องคุณธรรมสี่ประการที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมนุษย์เหล่านี้เป็นมนุษย์สังคมคืออยู่ตามลำพังไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกัน เพราะเราต้องพึ่งพาอาศัยกันเหมือนกับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวไดน้นี้ไม่สามารถอยู่ได้เราต้องอยู่ด้วยกันหลายๆายคนถึงจะมีความร่มเย็นเป็นสุขการที่เราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขในการอยู่ร่วมกันนี้ เราจำเป็นจะต้องมีคุณธรรมสี่ประการด้วยกันที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่นี้แปลว่าคุณสมบัติของพรหมของคนดีของผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐผู้เป็นคนดีเวลาอยู่ร่วมกันจะใช้คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ปฏิบัติต่อกัน พร ม, มิหารสี่นี่มีอะไรบ้างก็มีหนึ่งเมตตาสองการุณาสามมูดิตาสี่อุเบกขานี่คือคุณธรรมที่ต้องต้องมีถ้าเราอยู่ร่วมกันถ้าเราอยากจะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาต่อกัน ไม่มีเรื่องราวต่อกันจําเป็นต้องใช้เมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาอย่างในอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณีแล้วแต่เหตุการณ์ถ้าเรารู้จักใช้เมตตากรุณามุนีตาอุเบกขาชีวิตของเราก็จะมีแต่ความนุ่มเย็ยนเป็นสุขข้อที่หนึ่งคือเมตตาแปลว่าอะไร เมตาก็คือความรักความปรารถนาดีต่อผู้เช่นคิดดีพูดดีทำดีต่อผู้<ม>การที่เราจะให้ความเมตตาแสดงความเมตตาหรือแผ่เมตตาให้แก่ผู้นั้นเราจาเป็นต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ได้แผ่ด้วยการสวดมนต์ ดังที่เราอาจจะเข้าใจกันเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระเรามักจะสวดบทแผ่เมตตาสัพเพสั ต, ตาเวราหุนตุเป็นต้นแต่การสวด น, นี้เป็นการเตรียมใจสอนใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาการจะแผ่เมตตาจริงๆ จึงต้องแผ่ด้วยการกระทําเวลาที่เราพบปะกันเวลาที่เราเจอกันเวลานั้นแหะเป็นเวลาที่เราควรจะแผ่เมตตาคือให้เราคิดดีพูดดีทดําดีกับผู้ที่เราได้พบปะกันนี่คือความเข้าใจที่ต้องเข้าใจในเบื้องต้นว่า การแผ่เมตตาก็ดีกรุณาก็ดีมุติตาก็ดีอุเบกขาก็ดีต้องแผ่ด้วยการกระทาไม่ได้แผ่ด้วยการนั่งสวดมนอยู่ตามลำพังคนเดียว<ม>ตอนนั้นเราเรียกว่าเป็นการเจริญสติเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบและเป็นการสอนใจสอนวิธีของการแผ่เมตตา ว่าต้องแผ่อย่างไรถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาต้องทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาหัวข้อที่หนึ่งที่เราสวดก็คือสัพเพสัตตาอาเวราโหตุสัพเพสัตตาก็แปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคือดวงจิตดวงใจทุกดวงไม่ว่าจะเป็นดวงจิตดวงใจของมนุษย์ของเดรัจฉานของ เทวดาของเปรตหรือของใครก็ตาม น, นี่คือเรียกเป็นเรียกว่าสัตตาสัตตาก็คือดวงวิญญาณที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในใตายพบอยู่เวลาที่เรามาเกิดในโลกนี้เราก็จะต้องมาเจอกับบุคคลต่างๆสัตตาชนิดต่างๆ เวลาที่เราเจอกันนี่สิ่งที่เราควรที่จะมีอยู่ในใจของเราตลอดเวลาก็คือการไม่จองเวรจองกรรมกันอาเวลาห้นตุเราจะไม่จองเวรจองกรรมกับใครทั้งนั้นกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็คือการให้อภัยเวลาที่มีความโกรธกับผู้หนึ่งผู้ใด อาจจะเพราะว่าถูกเขาทำร้ายถูกเขาว่ากล่าวดูดา่าถูกเขาทำอะไรที่ทำให้เราเกิดความไม่พอใจเกิดความเสียหายขึ้นมาเวลานั้นเราควรจะให้อภัยเขาอย่าไปจองเวรจองกรรมเพราะการจองเวรจองกรรมไปตอบโต้ไป ถ้าไปทำร้ายเขานี่เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมสร้างเจ้ากรรมนายเวรให้เกิดขึ้นถ้าเราเอาเวลาไม่จองเวรได้ให้อภัยได้ไม่ตอบโต้เขาไม่ไปไม่กลับไปทำร้ายเขาเราก็จะไม่มีเวรมีกรรมตามมาต่อไปเขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเรา ดีไม่ดีเขาอาจจะรักเราชอบเราขึ้นมาก็ได้เพราะเราเป็นคนดีเราคิดดีพูดดีทำดีเราไม่คิดร้ายกับเขาไม่ทำร้ายเขาอาเวลาห่นตัวนี้ก็คือการไม่จองเวรจองกรรมวิธีไม่จองเวรจองกรรมก็คือต้องการให้อภัยใครก็ทำอะไรกับเราทำให้เราเสียหายเดือดร้อนล้วก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่ถือโทษกรธเคิงกันแล้วใจของเขาก็จะสงบใจของเราก็จะสงบทางฝ่ายก็จะร่มเย็นเป็นสุขขป้นเหมือนนี่คือการแผ่เมตตาข้อที่หนึ่งลักษณะที่หนึ่งของการแผ่เมตตาคืออเวลาโหนตุไม่จองเวรจองกรรมกันดังที่พทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าไม่อยากจะมีเจ้ากรรมในเวรเราก็ต้องไม่ไปจองเวรจองกรรมกับผู้อื่นปล่อยให้มันผ่านไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไปแล้วเขาทำอะไรให้เราเสียหายความเสียหายนันก็เกิดขึ้นไปแล้วเราไม่สามารถไปลบมันได้แต่เราสามารถ ควบคุมไม่ให้มันขยายความเสียหายให้ใหญ่ขึ้นให้มากขึ้นได้เพราะว่าถ้าเราไปตอบโต้เขาไปทำร้ายเขาเขาก็จะโกรธเราขึ้นมาแล้วเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราขึ้นมาอีกก็จะเกิดการตอบโต้กันไปต่อสู้กันไปแล้วในที่สุดก็อาจจะถึงกับการฆ่าฟันกันก็ได้แต่ถ้าเราไม่ตอบโต้ เราให้มันผ่านไปคิดเสียว่าเราอยู่ด้วยกันเหมือนลิ้นกับฟันบางครัง้งบางคราวลิ้นกับฟันก็ยังมีการขบกันได้ก็เราอยู่ในสังคมร่วมกันก็อาจจะมีการกระทำที่ผิดพลาดต่อกันได้เราก็ต้องรู้จักให้อภัยแล้วปัญหาก็จะจบที่ตรงนัน้นนี่คือวิธีแรกของการแผ่เมตตา คือเราต้องให้อภัยกันให้ได้ข้อที่สองของการแผ่เมตตาก็คืออัปยาปชาโหรุตุไม่เบียดเบียนกันเราจะไม่กระทาอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายหเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองออเวลาที่เราจะทำอะไรเราต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของเรา วาเราทําสิ่งนี้แล้วจะทําให้คนนั้นเสียหายหรือเปล่าจะทําให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าถ้ารู้ว่าจะทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนเราก็อย่าไปทํามันหรือไปทําที่อื่นถ้าทําตรงนี้แล้วทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนเราก็ย้ายไปทําที่อื่นทําที่ไม่มีใครเขาเสียหายเดือดร้อนจากการกระทําของเราถ้าเราต้องกระทํำเราก็ต้อง กระทำในลักษณะที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายให้เดือดร้อนแก่ผู้นีคือข้อที่สองของการแผ่เมตตาเวลาเราจะทำอะไรให้เราตึกตรองให้ดีให้เราคิดให้ดีก่อนว่าการกระทำของเรานี้จะไปทาให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือไมอ่ถ้าเขาเสียหายเดือดร้อนก็อย่าไปทำ หรือคิดว่าถ้าเป็นเรื่องที่ให้อภัยกันได้ก็อาจจะไปขออนุ ญ, ญาตเขาก่อนก็ได้ว่าขอทำบางทีแล้วอาจจะจัดงานเลี้ยงต้องใช้เครื่องขยายเสียงอาจจะส่งเสียงดังทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่ถ้าเขาเป็นคนที่มีเมตตาเขาก็อาจจะอนุ ญ, ญาตเราก็ได้ถ้าเป็นกรณีพิเศษคือไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำกันเป็นประจำ อาจจะเป็นงานวันเกิดงานแต่งงานหรืองานอะไรก็ตามงานบวชอันนี้ถ้าขอนี่ย่ายเขาแล้วเขาก็อนุโมทน า, ายินดีเราก็ทำไปได้แต่ถ้าเขาไม่ยินดีเราก็ต้องไม่ทำมันจะดีกว่าอันนี้คือข้อที่สองของการแผ่เมตตาอาบายาป ช, ชาหุตุไม่เบียดเบียนกัน ข้อที่สามคืออนีคาโหนตุแต่ว่าไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันอย่าไปทําอะไรที่อย่าไปทําร่างกายเขาทําร้ายร่างกายเขาเช่นเวลาที่เราโกรธขึ้นมาเราอาจจะไปทําร้ายเขาทําให้เขาเจ็บทางร่างกายหรืออาจจะไปพูดหรือไปทําอะไรที่ทําให้เขาเกิดความรู้สึกเจ็บช้าน้ําใจขึ้นมา ไม่ไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่น mm hmm. เวลาจะพูดอะไรจะทำอะไรต้องคอยสังเกตดูว่าผู้อื่เขาจะต้องรับผลกระทบจากการกระทาของเราหรือไม่ mm hmm. ถ้าเกิดการกระทบขึ้นมาเราก็ต้องหยุด mm hmm. อย่าไปกระทำ mm hmm. เพราะถ้าเราไปทำแล้ว mm hmm. ก็จะทำให้เขาโกรธขึ้นมาได้แ้ถ้าเขาไม่ให้อภยัย mm hmm. เขาก็จะกลับมาทาร้ายเราก็ได้ นี่คือข้อที่สามเวลาทำอะไรอย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้ข้อที่สี่สุขีอัตานังปาริหารันตุให้ความสุขกับผู้เรามีความสุขอะไรเราแบ่งปันความสุขนี้ให้กับเขาไปเช่นเรามีของมากเกินไปของใช้หรือของกินอะไรก็ตามที่มีมากเกินไปเราก็เอาไปแจกกัน เอาไปให้คนนั้นคนนี้อันนี้ก็เป็นการให้ความสุขหรือเวลาที่เขามีวันเกิดมีวันอะไรครบรอบวันขึ้นปีใหม่เราก็ส่งของขวัญไปให้เขาเวลาใครได้รับของขวัญก็มักจะมีความสุขกันคือทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้ผู้อเขามีความสุขตรงกันข้ามกับการกระทำที่จะทำให้ผู้อมีความทุกข์ นี่คือการแผ่เมตตาสี่ประการด้วยกันอเวลาโหนตุไม่จองเวรกันอายาปชาโหนตุไม่เบียดเบียนกันอานิคาโหนตุไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันสุขีอัตานังปรลิารานตุให้ความสุขต่อกัน นี่คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําแผ่ด้วยกายวาจาใจไม่ใช่แผ่ด้วยใจเพียงอย่างเดียวในขณะที่เราไหว้พระสวดมนต์ที่ให้ไหว้พระสวดมนต์เพื่อส่วนบทนี้ก็เพื่อให้เราจดจําไว้จดจําวิธีที่เราจะต้องแผ่เมตตาเวลาที่เราไปเจอกันไปพบกันเวลาที่เรามีเหตุการณ์ปะทะ ก, กันเกิดขึ้นมาเราต้องนึกถึงความเมตตาไว้ก่อน เพราะความเมตตานี้จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าขาดความเมตตาแล้วมีแต่ความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมมีแต่การทำร้ายกันเราก็ต้องอยู่กันอย่างวุ่นวายอยู่กันอย่างทุกข์ยากลำบากและในที่สุดเราก็ต้องเห็นโทษของการกระทาที่ขาดความเมตตาในที่สุดเราก็ต้องมาหยุดกันอยู่ดี เวลาเกิดสงครามขึ้นมาก็เกิดเพราะาเกิดคขาดความเมตตาแต่เมื่อได้มีการต่อสู้กันทำร้ายกันทำให้เกิดความเสียหายกันขึ้นมาอันที่สุดก็ได้สติว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ดีควหยุดสงครามดีกว่าควหยุดการทะเลาะวิวาทกันดีกว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ขณะนั้นจิตใจเรามันถูกความโกรธครอบงำอยู่ เกิดความหลงเกิดความโลภครอบงำอยู่ทําให้เราไม่มีสติยับยัง้งการกระทําที่ไม่ดีไม่มีสติที่จะแผ่เมตตานั่นเองเราจึงต้องซ้อมไว้ก่อนทุกวันที่เราส่วนนี้เป็นการซักซ้อมวันนี้เราต้องถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราต้องแผ่เมตตาให้ได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งนะให้อภัยกันนะไม่เบียดเบียนกัน ไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันให้ความสุขต่อกันเพราะถ้าเราไม่สวดเราก็อาจจะลืมได้ถ้าเราสวดทุกวันทุกเช้าทุกเย็นมันเป็นการเจริญสติให้เรารู้ว่าเราต้องมีความเมตตาถ้าเราอยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราสามารถเจริญเมตตาได้แผ่เมตตาด้วยการกระทำได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะมีอ น, นิสงส มีประโยชน์ได้รับประโยชน์ได้ความได้รับประโยชน์จากการแผ่เมตตาของเราอยู่หลายประการด้วยกันเอาที่ได้เอาที่ทราบมาประมาณสิบข้อด้วยกันแต่ไม่ทราบอาจจะไม่จาอาจจะไม่ได้ครบสิบข้อข้อที่หนึ่งก็จะมีความสุขคนที่แผ่เมตตานี้จะมีความสุขเวลาให้ภัยใครแล้วใจจะมีความสุขขึ้นมาเวลาให้ข้าวของเงินทองใครไปใช้ไปกินจะเกิดความสุข ข, ขึ้นมา ข้อที่หนึ่งก็มีความสุขตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายถ้าคนที่มีความเมตตานี่เป็นคนที่ทำทำกรรมดีถ้าสะสมกรรมดีไว้ในใจเวลานอนหลับกรรมดีนี่แหละจะเป็นผู้ผลิตความฝันให้กับเราในทางต้นเงนข้ามถ้าเราทําไม่ดีทาร้ายพูดทาบาปทํากรรม เวลาเรานอนหลับกรรมไม่ดีบาปกรรมนี้จะเป็นผู้สร้างความฝันที่ไม่ดีให้กับเราเราจะฝันร้ายกันนี่คืออานิสงส์นอนหลับก็จะฝันดีไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนทำดีคนที่มีความเมตตานี้ใครใครก็ชอบใครๆก็อกยากจะอยู่ใกล้ด้วยเพราะได้รับประโยชน์ได้รับความสุข ไม่ได้ไม่ได้รับโทษไม่ได้รับอันตรายจากผู้ที่มีความเมตตานั่นเองผู้ที่มีความเมตตาจึงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดารักษาคุ้มครองแล้วก็จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษคือจะไม่มีใครคิดปองร้ายคนที่มีความเมตตาเพราะว่าคนเมตตาไม่ไปทำให้ใครเกลียดชังนั่นเองไม่ไปทำให้ใครเสียหายหเดือดร้อน ยังไม่มีเหตุที่ทำให้คนที่คิดที่จะมาปองร้ายคนที่มีความเมตตาแล้วก็ถ้าเวลาปฏิบัติธรรมเวลานั่งสมาธิทำใจให้สงบจิตก็จะสงบได้ง่ายปราศจากนิวรณ์เช่นความอาฆาตพยาบาทถ้าเรามีความอาฆาตพยาบาทอยู่ในใจเวลาจะนั่งสมาธินี้ใจจะไม่ไม่สงบใจจะร้อน ใจจะคิดแต่เรื่องที่ที่จะไปทำร้ายผู้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีความคิดแบบนี้เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายแล้วถ้าเราเวลาที่จะตายเราใจนี้ก็จะไม่หลงจะมีสติรักษาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบแล้วถ้าตายไปก็จะไปสู่สุคติไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆ นี่คือคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการแผ่เมตตาทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และในขณะที่เราจะตายและในขณะที่เราตายไปแล้วเราจะได้รับประโยชน์สามขั้นด้วยกันเวลาอยู่ก็อยู่อย่างมีความสุขเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีเทวดารักษาคุ้มครองจะไม่ตายด้วยอาวุธหรื อ, อยาพิษเป็นต้น และเวลาจะตายก็จะไม่หลงเวลาเข้าสมาธิก็จิตก็จะเข้าได้ง่ายไม่ยากเย็นไม่ลำบากและเวลาตายไปก็จะไปสู่สุคติจะไม่ไปทุกขติจะไม่ไปเกิดในอบายนี่คือคุณธรรมที่สาคัญที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเมตตาธรรมําจุนโลกโลกเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ต้องมีเมตตาธรรมต่อกัน ถ้าขาดเมตตาทำแล้วโลกเราก็จะเป็นโลกของโลกระลกขึ้นมาจะมีแต่การฆ่าฟันกันอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษโลกจะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายอยู่ที่ว่าโลกมีความเมตตาต่อกันหรือไม่ไม่ใช่อยู่เพราะว่ามีทรัพย์สมบัติเข้าคลองเงินทองมากมีทรัพย์สมบัติเข้าคลองเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ถ้าขาดความเมตตา ควมร่มเงย็นเป็นสุขก็จะไม่เกิดจะมีแต่ความทุกข์ยากเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆตามมาเราอย่าไปหลงประเด็นว่าถ้าเราล่ำเรารวยแล้วเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขเราจะไม่มีความสุขถ้าเราไม่มีความเมตตาต่อกันข้อที่สองของพรหมวิหารก็คือกรุณาการุณาแปลว่าความสงสารเห็นผู้อื่นเขามีความทุกข์ ยากลาบากเดือดร้อนเราก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับเขาไม่ดูดายไม่นิ่งเฉยเห็นใครเขาอดข้าวถ้ามีเรามีข้าวพอแบ่งให้เขากินบ้างเราก็แบ่งให้เขากินไปเขาไม่มีเสื้อผ้าใสเรามีเสื้อผ้าเหลือเฟือก็แบ่งให้เขาใส่ไปก็ช่วยเขาในในในระดับพื้นฐานช่วยช่วยให้เขาอยู่อยู่ได้อยู่ด้วยปัจจัยสี่ แล้วก็ขาดปัจจัยสี่้ววก็ควรที่จะช่วยเหลือกันไปเช่นเวลาที่มีอุกทุกขกับภัยมีภัยต่างๆน้าท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีคนที่เสียหายเดือดร้อนเขาไม่มีปัจจัยสี่ถูกไฟเผาไปถูกน้ำท่วมไปก็เราก็มีองค์กรสาธารณกุศลที่ไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้ที่ประสบภัยทั้งหลายอันนี้แหละคือความ การุณาคือความสงสารในระดับที่สูงกว่า น, นี้ก็คืออย่างของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงมีพระกรุณามีความสงสารต่อพวกเราที่พวกเรายังต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตวแล้วก็ทรงนำาเอาความรู้ที่จะช่วยให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด มาเผยแผ่สั่งสอนโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวธรรมะของพระเจ้านี้เป็นธรรมะฟรีเรียกว่าเป็นธรรมทานเพราะการให้ธรรมะนี้ชนะการให้ทั้งปวงถ้าเราให้ปัจจัยสี่ก็ช่วยเหลือทางร่างกายได้แค่ภบนี้ชาตินี้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราให้ธรรมะกับเขาได้แล้วเขานำมาไปปฏิบัติจนหลุดพ้นได้ เขาก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดของภพต่างๆที่จะตามมาต่อไปได้การประโยชน์ของการให้ธรรมะจึงถือว่าเป็นประโยชน์ที่มากกว่าประโยชน์ที่ให้ด้วยปัจจัยสี่หรือเท่าของเงินทองต่างๆนี่คือลักษณะของความการุณาเหา็นผู้อื่นเขาทุกข์ยากเดือดร้อนต้องคิดถึงเวลาที่เราทุกข์ยากเดือดร้อนว่ามันเป็นยังไงไม่มีใครอยากจะตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนกัน แต่บางครั้งบางคราวจังหวะของชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอน mm hmm. บางทีแล้วก็ต้องตกทุกข์ได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเราช่วยเขา mm hmm. เขาก็อาจจะคิดถึงเราเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากก็ได้ mm hmm. แต่อันนี้เราก็ไม่ต้องไปหวังปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของวิบากกรรมของเราไปแต่คนที่มีความการุณามีความสงสารแล้วมักจะ มีผู้ที่มาอุปถัมภ์ข้ามจุดต่อไปอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือข้อที่สองของปรมิหารต้องมีความสงสารต่อกันอย่าไปดูดาอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราตัวใครตัวมันอัตตาหิอัตโนนาโถนี่ไม่ช่ลักษณะของการใช้อัตตาหิอัตโนนาโถอัตตาหิอัตนาโนถือนาโถนี่เป็นลักษณะของการทำอาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อ ง, องหรือ ปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาใจอันนี้ไม่มีใครทำให้ใครได้ต้องทำกันเองแต่ถ้าเวลาที่เกิดการผิดพลาดเกิดการล้มเหลวในบางเรื่องบางการณีบางเวลาก็อาจจะมาช่วยกันเป็นเฉพาะกิจช่วยคนที่ล้มแล้วก็ช่วยให้เขาลุกขึ้นมาให้เขาได้ยืนให้เขาเดินต่อไปได้คนที่ขาดแคนปจัจจัยสีแล้วก็ช่วยประยุงเขาไปพังพาง จนกว่าเขาจะมีกำลังวังชาที่จะไปทามาหากินเัียงดูตัวเขาเองได้ต่อไปแล้วทาการช่วยเหลือผู้นี้จะทำให้เรามีความสุขข้อที่สามมั่งมุติตาก็คือความชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของผู้นี้เวลาใครก็มีความสุขมีความเจริญเราก็ควรที่จะแสดงความยินดีกับความสุขความเจริญของเขา อย่าไปอิจฉาลิสย า, อ ย, า, าอย่าไปขัดแกล้งอย่าไปขัดขวางความสุขความเจริญของผู้อื่นให้เรามองว่ามันเป็นผลของการกระทําของเขากแล้วกันเขาทํากรรมดีไว้เมื่อถึงเวลาของกรรมดีจะส่งผลเขาก็จะได้รับผลดีได้ความสุขความเจริญตามมาเรายังไม่ได้รับผลดีเหมือนเขาแล้วก็อย่าไปอิจฉาลิสยาเขาเราก็เร่งทําความดีให้มีเพิ่มมากขึ้น แล้ววันข้างหน้าความดีของเรามันก็จะส่งผลให้เรามีความสุขความเจริญเหมือนเขาก็ได้ น, นี้ก็คือมูลิตาอย่าไปขัดขวางความเจริญของผู้อื่นอย่าไปชาริเสยียให้เรามีความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของเขาเพราะคิดว่าให้เป็นเรื่องของผลของการกระทาของเขาเขาทำอะไรไว้เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของของการกระทาของเขา ข้อที่สี่ก็คืออุเบกขาถ้าเกิดเข้าไปรับผลไม่ดีขึ้นมาเขาเกิดไปตกทุกข์ยากได้ยากลำบากลำบนหรือเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาพยาบาลให้หายไม่ได้มีแต่จะต้องตายอย่างเดียวเราก็อย่าไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับเขาเราใช้มุติตาไม่ได้เราก็อย่าไปทุกข์เดือดร้อนเราต้องใช้อุเบกขาเราต้องปล่อยวางให้เป็นไปตามกฎของกรรม ใครทำกรรมอันไดไว้ดีหรือชั่ยก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราไม่มีอุเบกขาใจเราจะวุ่นวายใจเราจะรู้สึกไม่สบายใจว่าเราไม่ช่วยเขาหรือเราช่วยเขาไม่ได้เราก็จะรู้สึกมีความทุกข์ใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยก่อนกำลังของเราที่เราจะทำอะไรให้เขาได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไป ใจของเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจบางทีเราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นจนกระทั่งทําให้ใจของเราทุกข์ขึ้นมานี่ก็แสดงว่าผิดแล้วการจะช่วยเหลือใครทําอะไรให้กับใครนี้ใจเราจะต้องไม่ทุกข์กับการไปช่วยเหลือเขาถ้าเราไปทุกข์ไปช่วยเหลือเขาแล้วเราทุกข์นี่แสดงว่าเราทําเกินกําลังของเราแล้วเราก็ต้องถอยกลับมาทําเท่าที่เราทําได้ ถ้าทำไม่ได้ทามากกว่านั้นไม่ได้ก็ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องวางใจให้เป็นอุเบกขาวางใจให้เฉยๆคาว่าเฉยๆนี่ไม่ใช่หมยายความว่าไม่ดูไม่ดูแลกันไม่ช่วยกันแต่ช่วยเต็มที่แล้วแต่ช่วยได้เท่าที่เราจะช่วยได้ทำเท่าที่เราจะทำได้เมื่อมันเกินกำลังของเราเกินความสามารถของเราเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วเราจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ลำบากใจ นี่แหละคือคุณธรรมสี่ประการที่เราควรจะมีกันควรจะใช้ต่อกันและกันแล้วแต่กรณีบางการณีก็ใช้ความเมตตาบางการณีก็ใช้มุติตาใช้การุณาบางการณีก็ใช้มุติตาบางการณีก็ต้องใช้อุเบกขาถ้าเรารู้จักใช้พรมิหารสี่ให้ถูกกับกรณีใจของเราก็จะไม่ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขหรือความนิ่งเฉยนี่คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราอยากจะอยู่กันอย่างมีความสุขตั้งแต่สองคนขึ้นไปเราต้องใช้เมตตากรุณามุนิตาห ร, รเบขาต่อกันแล้วเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนี่ก็คือเรื่องของคุณธรรมสี่ประการ ที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็หมดเวลาพอดีสำหรับการแสดงธรรมสำหรับวันนี้ก็จะขอปฏิบัติธรรมขั้นต่อไปอีกสาสิบนาทีโดยประมาณเราก็จะมานั่งสมาธิกันมาเจริญอุเบกขาธรรมกันอุเบกขานี่เป็นธรรมที่ยากมากที่จะทำให้ใจเรานิ่งเฉยแล้วไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความนิ่งเฉยของเรา แต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิทำจิตให้สงบแล้วเนี่ยเราจะนิ่งเฉยได้เราจะไม่รู้สึกวุ่นวายใจหรือเสียใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรเน <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราก็อาจจะวุ่นวายใจไม่สบายใจได้งนั้นเรามาฝึกอุเบกขากันในวันนี้เป้าหมายของการนั่งสมาธิก็เพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบ ให้เกิดความสุขให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาพอเวลามีอุเบกขาแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะไม่โลภไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่รักก็เห็นอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้รักไม่ได้โลภอยากได้ไม่ชังไม่เกลียดไม่กลัวกับเหตุการณ์ต่างๆไม่หลงว่าเป็นของเป็นเราเป็นของเราเห็นมองว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นเป็นสภาวะธรรม นี่คือการการฝึกสติการนั่งสมาธินี้นั่งเพื่อให้จิตนิง่งไม่ได้นั่งเพื่อให้เห็นอะไรนะการนั่งให้เห็นอะไรนี้เป็นเรื่องของขั้นที่สองของการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนา<ม>แต่ตอนเบื้องต้นเราต้องผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนก็คือการนั่งทําใจให้นิง่งให้สงบให้มีความสุขให้มีพลังก่อนให้มีอุเบกขาเป็นพลังก่อน ถ้าเรามีความสุขมีอุเบกขาแล้วเราก็สามารถไปปฏิบัติขั้นที่สองต่อไปได้คือขั้นวิปั ส, สนาแต่ขั้นแรกนี้เราไม่ต้องการเห็นอะไรเราต้องการให้ใจว่างให้ให้ใจนิ่งถ้าใจหยุดคิดเมื่อไหร่ใจก็จะว่างใจเย็นจะสงบจะสบายจะมีความสุขและเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่ได้จากาลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เวลานั่งจึงต้องมีสติคอยกำกับใจถ้าเรานั่งไม่มีสติคอยกำกับใจให้อยู่กับอารมณ์ที่จะทำให้ใจสงบใจก็จะไม่สงบเพราะใจจะคิดไปเรื่อยๆใจตอนนี้เหมือนกับรถที่วิ่งลงเขาการที่เราจะหยุดรถที่วิ่งลงเขาให้หยุดได้เราต้องเหยียบเบรกถ้าเราไม่มีเบรกรถก็จะไม่หยุดมันก็จะวิ่งลงไปเรื่อยๆอันในใจของเราถ้าไม่มีสติก็เหมือนไม่มีเบรก เพราะสตินี้ก็คือเบรกของใจถ้าเรานั่ง <c oughs> ถ้าเราใช้เราเหยียบเบรกคือใช้สติกากับใจให้อยู่กับอารมณ์ที่จะทำให้ใจหยุดคิดอารมณ์ที่อารมณ์นี้เราเรียกว่ากรรมฐานเราต้องผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานก็มีหลายหลายรูปแบบด้วยกันที่เราใช้กันทั่วไปก็คือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธการระลึกถึงพรุทธเจ้าเรียกว่าพุททานุสติให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ถ้าเราลึกอยู่กับคาพุทโธพุทโธไปอย่างต่อเนื่องไม่นานจะความคิดต่างๆก็จะหยุดคิดได้หรือถ้าเราจะใช้การระลึกดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้หรือที่หน้าท้องก็ได้เรียกว่าอานาปนสติมีสติดูลมเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้ที่หน้าท้องก็ได้ถ้าเรามีสติอยู่กับลมไม่ไปไหนไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบ เป็นสมาธิขึ้นมาพอจิตนิ่งสงบเป็นสมาธิแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะตอนนั้นมีความสุขจิตอยู่นิ่งๆจิตไม่คิดจะทำอะไรไม่คิดจะพูดอะไรจิตอยู่เฉยๆยังมีความสุขเรากพยาย็พยายามประครับประกองอย่าเอาความคิดเข้ามาในตอนนั้นอย่าคิดขึ้นมาเองถ้าจิตไม่คิดแล้วเราก็อย่าไปคิดมันขึ้นมาให้รู้เฉยๆไปจนกว่า กำลังของสติอ่อนลงแล้วความคิดจะเริ่มเกิดขึ้นมาถ้าเราอยากจะนั่งต่อเราก็ดูลมต่อไปหรือพุทโธต่อไปใหม่แต่ถ้าเราอยากจะเลิกเราก็ค่อยลุกขึ้นมาน<ม>นี้คือการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบต้องมีสติอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน<ม>อยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้ถ้ายังดูดูลมไม่ได้หายใจไม่ได้ราใจคิดมาก ก็เปลี่ยนมาสวดมนต์ใบภายในใจก่อนก็ได้สวดบทไหนที่เราจำได้สวดไปเรื่อยๆสวดไปสวดกลับไปกลับมานั่งหลับตาในท่าสมาธิไม่ต้องออกเสียงจกว่าจะรู้สึกว่าความคิดเบาบางลงไปสามารถหันมาดูลมนืษย์มาใช้พุทโธได้ก็ค่อยเปลี่ยนนี่คือวิธีการนั่งโดยสังเขตเอามาฝากท่านแล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันอีกประมาณทั้งยี่สิบสี่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 แต่อย่าไปอยากให้มันสงบความอยากให้มันสงบไม่สามารถทําให้จิตสงบได้ต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อยก็ควรฝึกสติให้มากๆก่อนที่จะมานั่งสมาธิเราสามารถฝึกสติในระหว่างวันได้ทั้งแต่ตื่นจนหลับให้ท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปสติก็จะมีกําลังมากขึ้น เอาเวลานั่งก็จะก็จะสงบได้ง่ายขึ้นณตาเป็นนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวารวาหาปุรปาปริกปุเรนติสากรลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางัง ป, ปกับปติเอชีตังปะทีตังตุมหังคิปเเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตตสังกปา จันโทปนะระโสยธามณะโชติระโสยธาสัพพิติยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนุสีลิกสนิจังอุทธาปจายโน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 เพราะถ้าหลังจากเลิกแล้วมาถามนี้จะไม่สะดวกที่ต้องตอบก็ขอให้ถามในช่วงนี้ช่วงเดียวอย่ารอหลังใหม่เพราะไม่มีหลังใหม่แล้วก็ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 249้่าท่าน y o u t u พระสุชาติไลฟ์279ท่าน youtube ดรวีสท่าน วิทยออนไลน์ Online, 8ท่านคลับเ้า6ท่านนาคุติ150หท่านรวมทั้งหมด727ท่านรับพระอาจารย์คำถามจากทางนาคุตินะคะเวลานั่งสมาธิจิตมีความสงบแต่พอออกจากสมาธิในบางครั้งรู้สึกว่าจิตยังถูกกระทบได้ง่าย ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเราปฏิบัติผิดหรือเพราะสติและสมาธิยังน้อยไปไม่ตั้งมั่นลูกขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะก็สติเราขาดตอนเวลาออกจากสมาธิมาเราไม่ตั้งสติต่อพอมันมีอะไรมากระทบก็เลยก็ต้องหวั่นไหวแต่ถ้าเราออกออกจากสมาธิมาแล้วเรายัางประครับประคองใจให้มีสติคอยกํากับอยู่ให้มีพุโทโธพุโทโธอยู่ เวลามีอะไรกระทบจิตก็ยังจะเนิ่งเฉยได้อยู่จากหน้าคุติค่ะคำว่าเกลียดอย่างไหนได้อย่างนั้นจริงหรือไม่เจ้าคะเช่นเคยคุยกับคนที่ขายลอตเตอรี่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบอาชีพนี้เลย<ม>แต่ก็ต้องมาทำเป็นเวรกรรมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยเจ้าคะ่ะเพราะลูกฟังแล้วเกิดความกังขาเจ้าค่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะ ก็อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ดูตามความเป็นจริงก็แล้วกันตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ร่วมเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันจาก Facebook เจ้าค่ะน้อมกราบนมาส ก, การพระอาจารย์ครับเวลาออกจากสมาธิสิ่งแรกที่เราควรพิจารณาคืออะไรและควรทำอย่างไรต่อไปครับสติสิ่งแรกที่เราควรจะทำต่อก็คือสติก่อนยังไม่ต้องไปพิจารณาอะไรเพราะ สมาธิดสติของเรายังไม่ค่อยมีกำลังมากต้องฝึกสติสมาธิไปนานๆจนกระทั่งมีสติมีสมาธิมากก่อนแล้วค่อยไปพิจารณาทางปัญญาต่อไปคุณอภิน ญ, ญาค่ะถามหลวงพ่อค่ะทำสมาธิทุกเช้าและก่อนนอนแต่ยังฟุ้งแบบนี้จะได้อะไรบ้างไหมคะแล้วจะทำอย่างไรให้มีสติตั้งมั่นได้คะก็ได้ความเพียรอย่างน้อยเราก็ได้ความเพียรพยายาม ถ้าเราไม่เพียร เ, เราก็จะไม่ได้อะไรเลยก่อนที่เราจะได้ผลเราต้องมีความเพียรพยายามปฏิบัติก่อนแล้วถ้าปฏิบัติยังไม่ได้ผลก็ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นปฏิบัติให้ถูกที่เรียกว่าสุปฏิปันโนสุปฏิปันโ น, ปปปโนแปบบว่าปฏิบัติที่ถูกที่ถูกก็คือต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจกำกับใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะได้ผลตามมาต่อไป จากคุณอิทธิพันธ์นะคะมี3ข้อคะ่ะข้อที่1ฝึกสมาธิมาถึงขั้นหนึ่งแล้วลมหายใจหมดไปเหลือแต่ตัวรู้กระทั่งความคิดเกิดขึ้นมาแต่ไม่ถึงขั้นปรุงส่วนนี้คือเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมครับหากเราเอาความคิดแบบนั้นมาปรุงต่อจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตพร้อมแก่การวิปัสสนาเมื่อใดครับเพราะบางครั้งมีเรื่องการพิจารณาธรรมขึ้นมาอัตโนมัติ เป็นตัวหลอกหรือของจริงครับยังไม่พร้อมที่จะไปพิจารณาอะไรทั้งสิน้นจิตยังไม่เนื่งสงบเต็มที่ต้องให้จิตเข้า ส, สมาธิให้ได้เต็มที่ก่อนแล้วต้องทําให้ชํานาญก่อนถึงจะค่อยไปพิจารณารมต่างๆได้ข้อ 2. ค่ะเมื่อคุณพ่อไม่สบายหนักตอนแรกใจกระเพื่อมเป็นทุกข์มากตอนนี้วางใจ ว, ว่าย่อมเป็นเช่นนั้นเราทําหน้าที่ดูแลคุณพ่อให้ดีที่สุด ถึงวันหนึง่งท่านย่อมจากไปเป็นการวางใจที่ถูกไหมครับบางครั้งมีความรู้สึกผิดปะปนเข้ามาที่คิดเช่นนั้นครับไม่ผิดหรอกเพราะเราทำเต็มที่แล้วสุดวิสัยของเราแล้วเหนือเหนือความสามารถของเราแล้วข้อสามนะคะญาติของเราพยายามโกงที่ดินของพ่อแม่เราในฐานะลูกพยายามป้องกันความเสียหายอย่างดีที่สุดแล้วแต่ก็ต้องสูญเสียไปบางส่วน จากการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ดินที่สุดแล้วเราควรปล่อยวางและให้ความเมตตากับคนเหล่านั้นเป็นการวางใจที่ควรหรือไม่อย่างไรครับบางครั้งรู้สึกผิดที่รักษาสมบัติของพ่อแม่ได้ไม่ดีพอครับก็เราทำให้ดีที่สุดด้วยเหตุด้วยผลด้วยความความจริงอย่าไปทำด้วยความชอบโกงรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไป คุณจิราวรรณนะคะกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเราจะพัฒนาจากสมถกรรมฐานวงเล็บตามดูลมหายใจเป็นวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างไรคะต้องรอให้ชํานาญก่อนให้เข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้เวลาออกจากสมาธิใจก็เย็ยนมีอุวเบกขาเราถึงค่อยไปพิจารณาไตลักษณ์พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้น จากคุณทีคัทานาค่ะเวลาเจ็บป่วยบางครั้งก็มองเป็นธรรมดาได้บางครั้งก็กลับมาคิดกังวลอีกแบบนี้แสดงว่าอุเบกขาเรายังไม่สม่ำเสมอใช่ไหมเจ้าคะหรือมันเป็นเช่นนั้นเองอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นถูกไหมคะทั้งสองอย่างความอยากก็เป็นทำให้อุเบกขาหายไปได้แล้วอุเบกขาถ้ามีน้อยก็จะ ถึงแม้ไม่ได้ไปมีความอยากมันก็จะทำให้ใจเราเดือดร้อนได้ฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกกบเบขาให้มากๆแล้วก็สอนปัญญาอย่าไปอยากกับอะไรแต่ยังไม่มีจ้ค่ะโอเคอสมาธิกับปัญญาสำคัญต้องทำงานร่วมกันแต่เบื้องต้นเราต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาสร้างปัญญาควบคู่กับสมาธิแล้วเราถึงจะสามารถ ใช้สมาธิและปัญญากำจัดความทุกข์ความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ดังนั้นเบื้องต้นถ้าเราสมาธิยังไม่คล่องแคล่วยังไม่ชํานาญเหมือนเวลาที่เราหัดขับรถใหม่ๆเรายังไม่ชํานาญขับเรายังไม่ขับไปออกไปถนนใหญ่เราขับไปตามซอยเล็กๆไปตามถนนที่ไม่มีรถแล้วต่อมาเมื่อเรามีความชํานาญเรามั่นใจแล้วเราค่อยขับรถขึ้นถนนใหญ่ต่อไปอันนี้ก็เหมือนกัน การเข้าสมาธิถ้ายังล้มลุกคุกคานอยู่อย่าเพิ่งไปทางปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาก็จเจริญสติต่อหยุดคิดก่อนแล้วก็กลับเข้าไปสมาธิใหม่สลับกับสติเวลาอยู่สมาธินั่งสมาธิก็ใช้ใช้สติกํากับใจออกจากสมาธิมาก็ใช้ ส, สติกํากับใจไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าสติจะสามารถควบคุมใจให้เย็นให้สงบได้ตลอดเวลาเราถึงค่อยไปทางปัญญาต่อไป จากทางยูทูบค่ะถ้าโดนเลิกจ้างออกจากงานต้องวางใจอย่างไรคะก็วางใจว่านี่คือความจริงเราต้องอยู่กับความจริงถ้าเราอยู่ความจริงรับความจริงได้เราก็จะไม่ทุกข์พอแล้วเลยแล้วส่วนใหญ่เราทุกข์เพราะเราอยู่กับความอยากอยากไม่ถูกเลิกจ้างพอถูกเลิกจ้างก็ทุกข์ขึ้นมะแต่ถ้าเราอยู่กับความจริงว่าตอนนี้เราถูกเลิกจ้าง เลิกจ้างก็เลิกจ้างอย่าทำยังไงได้เราไปบังคับของให้เจ้าเขาจ้างเราไม่ได้เราก็ต้องทำใจให้ยอมรับความจริงพอเรายอมรับความจริงได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์จาก Y u t u b e นะคะถามว่าถ้าผู้ใหญ่ตีเด็กเขาจะบาปไหมคะถ้าตีเพื่อสั่งสอนไม่บาปบางทีว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจามันไม่เข็ดลำต้องมีการลงโทษนิดหน่อย ให้นูกเสียว่าทําผิดแล้วจะต้องเจ็บตัวนะ <Yeah. S 1> เพราะต่อไปเวลาโตขึ้นไปทําผิดกฎหมายก็ต้องถูกเขาจับไปขังคุกขังตารางนั้น <Yeah. S 1> เราต้องทําเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นก่อน <Yeah. S 1> เพื่อเขาจะได้ไม่กล้าที่จะทําทผิดอีกต่อไป <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่ตีเขาเลย <Yeah. S 1> เขาก็คิดว่าทําผิดก็ไม่ <Yeah. S 1> ไ ม, มีไม่มีโทษตามมา <Yeah. S 1> ก็ทําไปเรื่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยไป <Yeah. S 1> พอโตขึ้นก็คิดว่าทําแล้วไม่ <Yeah. S 1> ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีโทษตามมา แต่มันมีตำรวจตามจับนี่เพราะฉั้น <Yeah. S 1> ถ้าเราตีด้วยความเมตตาไม่ผิดนะ <Yeah. S 1> แต่ที่ถ้าตีด้วยความกโกรธ ด, <Yeah. S 1> ด้วยความโมโหโนเนี่ยผิด ถ, ถ้าเราโกรธเขาเพราะเขาดือ้อ <Yeah. S 1> อย่าเพิ่งไปตีเขาเราทําใจใ ห, ห้หายให้โกรธก่อนแล้วมันนั่งคิดว่าจะจะตีเขาแบบไหนดีให้เขาสํานึกผิดน <Yeah. S 1> ตีให้เขาเจ็บจนกระทั่งเลือดออกมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะราต้องไปรักษาเขาอีก yeah. งั้นตีพรอเขารู้ว่าเนี่ยทำผิดแล้วจะต้องมีโทษตามมานะให้เขารู้แต่ถ้าเขายังดื้ออยู่ก็ต้องปร่งไปต้องทำใจเป็นดูเบกคขาไปามันเป็นกรรมของเขาสอนแล้วเขายังดื้อเขายังไม่กลัวผลของการกระทำผิดของเขาอยู่วันข้างหน้าเขาอาจจะต้องไปเจอของดีเขา้าจากคุณจินตนานะคะ คำถามพระอริยบุคคลผู้ลาสังโยชน์ตามลําดับขั้นจากพระโสดาบันไปถึงพระอรหันต์ต้องผ่านวิปัสสนาญาณเก้าทุกครั้งไหมคะก็ต้องผ่านตายรักทุกขั้นตอ น, นพิจารณาตายรักไม่เที่ยงไม่สวยไม่งามไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราที่เราไปควบคุมบังคับได้ทุกขั้นตอนมันจะต้องมีตายรักเป็นตั ว, ต, วตัวตัดกิเลสพูดง่าย จักเฮียเริงนะคะถ้าเราเป็นคนจัดพิธีบวชพระติดต่อติดต่อวดัดทาติดต่อทุกอย่างเพื่อให้พระได้บวชแต่ไม่ได้ออกตังเราจะได้บุญไหมครับได้ได้ส่วนที่เราสนับสนุนช่วยเหลือไม่ได้ส่วนที่เราเสียตังส่วนที่เสียตังเราไม่ได้แต่เราได้ส่วนที่เรานับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างจากคุณดิวค่ะ ถ้าเราอยากตอบแทนบุญคุณบิดามารดาอย่างสูงสุดเราควรทําอย่างไรครับก็ทําแบบพระพุทธเจ้าไปบวชก่อนแล้วก็ไปเป็นผ้าอรหันก่อนแล้วค่อยมาสอนพ่อแม่ให้เป็นผ้าอรหันต่อไปคุณสิรินยาค่ะขอถามค่ะงานบุญกรถิ่นกับงานนั่งเจริญภาวนาบุญไหนสําคัญกว่ากันคะกลับขอบพระคุณค่ะสําคัญทั้งสองง่ะ ขึ้นอยู่กับระดับจิตของผู้ปฏิบัติถ้ายังอยู่ขั้นต้นอยู่ก็ต้องทําบุญก่อนแล้วถ้าอยู่ขั้นสูงแล้วค่อยไปไปปฏิบัติสมาธิต่อเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเริ่มต้นก็ต้องไปเข้าอนุบาลก่อนไม่ใช่พอเริ่มต้นก็จะไปเรียนปริญญาเลยมันก็เรียนไม่ได้อยู่ดีต้องค่อยๆไต่เต้าบุญระดับต่างๆบุญขั้นแรกก็เรียกว่าทานบุญขั้นที่สองก็เรียกว่าศีล บนขั้นที่สามก็เรียกว่าภาวนามันใหญ่ขึ้นยากขึ้นไปตามลำดับยังไม่มีะยังไม่มีนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมขอเชิญถามได้ในช่วงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอเลิกแล้วจะขอเข้ามาถามนี่จะไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะไม่สะดวกหนึ่งเสียงไม่ค่อยมีต้องอาศัยเสียงใหม่พูดถ้าโยมาพูดเดี๋ยวต้องออกเสียงตะแบงมันไม่มีแรงพูด